เจ้าอันพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่ยี่สมิถุนายนพุทธศักราช2548ตรงกับวันพุธแรงแปดค่ำเดือนเจ็ดปีรากาเป็นวันพระ วันธรรมสรวนะันวันฟังธรรมวันนี้เราจะมาฟังเรื่องของพระอริยสัจสซึ่งเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีพระอริยสัจสีก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีพระพุทธเจ้า จะไม่มีพระอาหารหันต์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันต์ก็ดีจะต้องรู้จักพระอาาริยสีรอาาริยสัจ ส, สี่แล้วต้องปฏิบัติกิจในพระในพระอาาริยสัจ ส, สี่ทั้งสี่ประการให้ครบถ้วนบริบูรณ์จึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้น เราพึ่งเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในมรรคผลนิพพานเราจรึงควรที่จะให้ความสนใจศึกษาทำความรู้จักกับพระอริยสัจสี่นี้เพราะเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติตาม ตามแนวทางในพระอริยสัจสี่ซึ่งจะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพระอริยสัจสี่นี้ก็มีอยู่สประการด้วยกันคือหนึ่งทุกขสจัจจะสองสมุทัยสจัจจะสนิโรธศสจัจจะ สี่นักสัจจะนี่คือสัจจะความจริงสี่ประการที่สัตว์โลกทั้งหลายจะต้องมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้ว ย, ยเพียงแต่ว่าจะรู้จักวิธีปฏิบัติกับสัจจะเหล่านี้หรือไม่เท่านั้นถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติกับสัจจะเหล่านี้ตามเงี้ยงอย่างที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารตัสสาวกทั้งหลายได้ทรงปฏิบัติมาก็จะสามารถดำเนินชีวิตของตนเองไปในทางที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทุกขสัจจะนี่คืออะไรทุกขสัจจะก็คือการเกิดการแก่การเจ็บ การตายการพักราจากของรักของชอบการประสบ ก, กับของที่ไม่ปรารถนาโดยสรุปก็คืออุปทานในขันความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตจิตใจของเราว่าเป็นเราเป็นของของเราเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิน้นสัจจะข้อที่สองเรียกว่า สมุทัยทยัจจะแปลว่าเหตุของทุกมีอะไรบ้างก็มีอยู่สามประการด้วยกันคือ 1. กามตัณหา 2. กภาวะตัณหา 3. วิภาวะตัณหากามตัณหาคือความอยากในกามมรถคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพทั้งหลาย ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วให้เกิดความสุขความยินดีขึ้นมาเรียกว่ากามตัณหาความอยากในกามสองวิภภ า, าวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากมีตำแหน่งสูงๆเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน เป็นนายกเป็น ป, นประธานาธิบดีนี่เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและประการที่สาวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพลากับของรักของเจริญใจอยากไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งหลาย เหล่านี้คือวิภาวะตัณหาทั้งสามนี้คือกามาตัณหาความอยากในการภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าสมุทัยสัจจะเป็นสาเหตุหรือต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสัจจะข้อที่สามเรียกว่านิโรธาสัจจะ คือความดับของทุกก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งทุกมีได้ทุกกระดับได้นิโรธาสัจจะก็คือความจริงของความดับของทุกทุกนี้ดับได้ทุกมีได้ทุกกระดับได้เหมือนกันและสัจจะข้อที่สี่เรียกว่ามรคสัจจะคือทางดำเนินวิธีปฏิบัติ ที่จะนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่การดับทุกข์นี่คือมัรคสัจจะมีองค์8ที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทามีอะไรบ้างก็มีหนึ่งมีความเห็นชอบ 2. ความดำริชอบ 3. การกระทำชอบ 4. วาจาชอบห้า อาชีพชอบ 6. ความเพียรชอบ 7. สติชอบ 8. สมาธิชอบนี่คือองค์ประกอบของมรรคผู้ที่จะต้องการที่จะดับทุกข์ให้หุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานจำต้องเจริญมรรคนี้ทั้งแปดประการ มักนี้บางครั้งท่านก็แสดงไว้เป็นสามคือศีลสมาธิและปัญญาศีลก็ประกอบด้วยการกระทำชอบวาจาชอบอาชีพชอบเรียกว่าศีลสมาธิก็ได้แก่ความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบและปัญญาก็ประกอบด้วย ความเห็นชอบความดำริชอบนี่เรียกว่าองค์ประกอบของปัญญาดังนั้นบางทีเราจะได้ยินได้ฟังมรรคเป็นสองประการคือมรรคแปบดบหรือมรรคที่เป็นสามคือสมาสีนสมาธิปัญญาหรือบางครั้งเราก็จะได้ยินมรรคที่เป็นอีกแบบหนึ่งเรียกว่าฐานสีลภาวนาก็เป็นแบบเดียวกันศีลก็มีอยู่ภาวนาก็คือ สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาส่วนทางนี้เป็นการทำบุญเพื่อช่วยสนับสนินสนับสนุนให้มีศีลมีสมาธิขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาดังนั้นทั้งทั้งสามประการนี้แม้ว่าจะเป็นมรรคที่มีองค์แป หรือที่มีองคสาคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาล้วนเป็นมรรคเป็นวิธีวิถีทางแห่งการดำเนินเพื่อนำไปสู่การดับทุกข์ทั้งสิน้นในพระอริยรรสัจสี่นี้พระพุทธองค์ทรงปรัสไว้ถึงภารกิจที่จะต้องปฏิบัติกับสัสจจะทั้งสี่ประกาศนี้คือหนึ่ง ทุกต้องคำนดรู้สองสมุทัยต้องละสนิโรธต้องทำให้แจ้ง 4. มรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์ถ้าได้ปฏิบัติภารกิจท่านสี่ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วบุคคลนั้นก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ หลังจากที่ได้ตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่าทุกที่ต้องกําหนดตถาคตได้กําหนดแล้วทุกที่ต้องทุกที่ต้องกําหนดตถาคตได้กาหนดแล้วสมุทัยที่ต้องละตถาคตได้ละแล้วมิโรอที่ต้องทําให้แจ้งตถาคตก็ทําให้แจ้งแล้ว มัตที่จะต้องเจริญให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตถาคตก็ได้เจริญครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเมื่อได้ทําภารกิจทั้งสี่ประการนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจิตของผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาซึ่งเป็นเครื่องทวงเป็นเครื่องเหนี่ยวรัางให้จิตใจ ต้องเวียนวไหวตายเกิดในวะตะสงสารในพบน้อยพบใหญ่ยังไม่รู้จักจบจากสิ้นก็จะเป็นอันหมดสิ้นไปเมื่อได้ปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่ทั้งสี่นี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ในการปฏิบัติภารกิจในพระอริยสัจสี่ทั้งสี่ประการนี้ เวลาปฏิบัติแล้วเราจะปฏิบัติที่มัทกสัจจะคือมัดต้องเจริญให้มากเราต้องมันทําบุญทําทานมันรักษาศีลมันภาวนานั่นเองเพราะเมื่อเราทําบุญแล้วจิตใจของเราเก็จะมีความเมตตามีความกรุณาทําให้เราไม่อยากเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเราไม่เบียดเบียนผู้อื่น กายกระทาของเราทางกายทางวาจาก็จะเป็นปกติก็จะเป็นศีลขึ้นมาจะเป็นศีลห้าดีอศีลแปดี้ศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อก็ดกล้วนเป็นการกระทาที่ดีงามไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตนเองนั่นเองเมื่อจิตใจไม่มีความวุ่นวาย กับการกระทำที่ไม่ดีไม่งามทางกายทางวาจาจิตใจก็จะเข้าสู่ความสนบสู่ความร่มเย็นเป็นสุขก็จะทาพาให้การบาเพ็ญสมาธิคือการทำจิตใจให้สงบนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายกำหนดจิตให้สงบนิ่งจิตก็จะสงบนิ่งเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อย เดียวเดียวจิตก็จะรวมตัวลงเป็นสมาธิหลังจากที่จิตออกจากสมาธิแล้วก็เป็นการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนานี่เป็นการเข้าสู่ภารกิจในพระพุทธในพระอริยสัจ4ี่ข้อที่หนการเจริญปัญญาก็คือการศึกษาสัจธรรมของชีวิตมันเองสัจธรรมของชีวิตก็คืออริยสัจข้อแรก ที่เรียกที่ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ฝาถนาเหล่านี้เป็นความจริงของสัตว์โลกทุกๆตัวทุกบุคคลที่เมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วจะต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นมันเป็นความทุกข์ถ้าไปหลงยึดติดกับสิ่งเหล่านี้คือไปหลงยึดติดกับชีวิต ถ้าเกิดมีความยึดติดในชีวิตแล้วก็จะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเพราะอยากจะมีความสุขจากการเสพการอยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสมบัติเข้าของอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้จึงทำให้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายยึงเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าได้ศึกษาได้พิจารณาสัจธรรมความจริงของชีวิตแล้วว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่ตายจะไม่พักผ้าจากกันจะไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาถ้าเราศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นแจ้งแจ้งแล้วว่าไม่มีใครหนีสิ่งเหล่านี้พ้นไปได้เราก็ต้องมาทำใจกัน ยอมรับความจริงยอมรับว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนต้องพัดฒนาจากกันอย่างแน่นอนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาอย่างแน่นอนเมื่อจิตยอมรับความจริงอันนี้แล้วจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตจิตใจเมื่อปล่อยวางแล้วตัณหาทั้งหลายที่มีอยู่ในใจก็จะถูกลด ถุกละถูกตัดออกไปความอยากในการก็จะหายไปความอยากมีอยากเป็นก็จะหายไปความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็จะหายไปเพราะถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ในจิตใจขึ้นมาเมื่อไหร่ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีไม่มีใครต้องจ่ายความทุกข์ด้วยการทั้งนั้นเมื่อจิตมีสมาธิมีความร่มเย็ยนเป็นสุขแล้ว แล้วได้เจริญปัญญาแล้วเห็นแล้วว่าเวลาเกิดความอยากนั้นก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจทันทีก็จะเห็นเลยว่าความอยากนี้เป็นโทษต่อจิตใจจิตใจที่มีความสงบคือมีสมาธิจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้แต่จิตใจที่ยังไม่มีความสงบจะไม่เห็นเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจ เพอจิตใจนั้นไม่นิ่งนั่นเองถ้าเปรียบเหมือนกับน้าที่ไม่นิ่งเราจะไม่รู้สึกอะไรเวลาเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำจะไม่เห็นลูกคลื่นที่เกิดจากการโยนก้อนหินลงไปในน้ำแต่ถ้าน้ำมันนิ่งผิวน้ำมันนิ่งไม่มีลูกคลื่นเลยเราโยนแม้แต่ก้อนกวดก้อนเล็กๆลงไปในน้ำมันก็จะกระเพิ่มขึ้นมาเป็นลูกคลื่นให้เราเห็นทันที จิตของผู้ที่ไม่สงบก็จะเป็นเหมือนกับจิตเหมือนกับน้ำที่ไม่นิ่งน้ำที่ไม่นิ่งมันมีลูกคลื่นของมันอยู่แล้วดังนั้นเวลาโยนก้อนหินลงไปมันจึงไม่รู้สึกอะไรไม่เห็นความแตกต่างแต่ถ้าน้ำที่มันนิ่งโยนแม้แต่ก้อนตรวจก้อนเล็กๆ ล, ลงไปมันก็จะกระเพื่อมให้เห็นทันทีฉันใดจิตของผู้ที่ไม่มีความสงบไม่มีสมาธิ ก็จะไม่รู้สึกเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะไม่รู้สึกเห็นความทุกข์เวลาอยากมีอยากเป็นก็มีแต่จะต้องตะเกียกตะกายวิ่งหาสิ่งที่ตนเองอยากได้เวลาอยากจะเสดกางก็ต้องหาสิ่งเหล่านั้นมาเสดให้ได้เวลาเกิดความกลัวเกิดความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ก็พยายามหาวิธีการต่างๆไปหาหมอไปหาอะไรมาเพื่อที่จะให้ช่วยดูแลให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดอยู่ภายในจิตใจที่ต้องดิ้นรนกอดแกงแก้ไขปัญหาที่แก้ไม่ถูกทางเพราะแก้อย่างไรก็แก้ไม่ได้ในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย การพัดผ้าจากกันการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเงาตามตัวเราเป็นเงาของชีวิตชีวิตอยู่ตรงไห น, นเงาคือความทุกข์มันก็จะติดตามตัวไปมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำลายเงาคือความทุกข์นี้ได้ก็คือต้องเจริญปัญญาต้องเห็นแล้วว่า ความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาการพัฒ่าจากการเป็นธรรมดาการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเป็นธรรมดาเมื่อมันเป็นธรรมดาก็ยอมรับมันไปปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันเหมือนกับเรายอมรับความมืดความสมานเรายอมรับกลางวันและเรายอมรับกลางคืนเราไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจ เวลาที่กลางวันมันกลายเป็นกลางคืนไปชั้นใดเราก็ควรที่จะยอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้เช่นเดียวกันเ <thousands S 1> <behind you. S 2> มื่อเรายอมรับได้แล้ว <st ess cause> จิตใจของเราก็จะไม่ว้าวุ่นขุ่นหวนไม่มีความอยากต่างๆที่จะไปฝืนกับความจริงเมื่อตัดความอยากได้คือความอยากในการความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นหมดไปจากจิตจากใจแล้วจิตใจก็ อ, อกพุพ้นก็เข้าสู่นิโรธะ<ม>คือความดับทุกข์เข้าสู่สัจจะข้อที่สานิโรธะทำให้แจ้งทำให้แจ้งด้วยวิธีอะไร<ม>ด้วยการละตันหาตันหาก็ได้ละตันหาจะละได้อย่างไรก็ต้องใช้ปัญญากำหนดดูทุกข์นั่นเอง เมื่อกําหนดดูทุกเห็นทุกแล้วเห็นแล้วว่าเกิดจากตัณหาก็ละตัณหาไม่มีความอยากกับอะไรอีกต่อไปเพราะอยากแล้วก็ต้องมีความทุกข์ตามมาอยากไม่แก่ก็ต้องทุกข์อยากไม่เจ็บก็ต้องทุกข์อยากไม่ตายก็ต้องทุกข์อยากจะเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวก็ต้องทุกข์หรือได้เที่ยวแล้วก็อยากจะไปเที่ยวอีกนีมันเป็นอย่างนี้ความอยากไม่มันไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเมื่อเห็นแล้วว่า ความอยากนั้นล้วนแต่เป็นปัญหาล้วนแต่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจก็ละ mm. เมื่อละแล้วก็เท่ากับทําให้นิโรธให้แจ้งนั่นเองทําให้ความดับทุกข์นั้นหมดไปจากจิตจากใจนิโรธก็แจ้งขึ้นมาตามลําดับแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับแสงจันทร์ที่ค่อยๆสว่างขึ้นมาเรื่อยๆจากวันที่แรงขึ้นหนึ่งข้างไป มันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจนสว่างเต็มที่ในวันวันขึ้นสิบห้าข้ามไม่ใช่จากวันแรงจากวันขึ้นหนึ่งข้ามไปมันจะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขึ้นสิบห้าข้ามก็จะสว่างเต็มที่ฉันใดาการปฏิบัติเกตในพระอริยสัจสี่ก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราหมั่นบำเพ็ญเจริญมากไปเรื่อยๆ เราก็สามารถที่จะกำหนดทุกไปได้เรื่อยๆรู้ทุกไปเรื่อยๆเมื่อรู้ทุกว่าเกิดจากอะไรก็สามารถละตัวเหตุของความทุกได้ก็คือตัณหาเมื่อละได้นม่รูคือความดับทุก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามกำลังของการละตามกำลังของการกำหนดรู้ทุกตามกำลังแห่งการเจริญมรรคนั่นเอง เมื่อมรรคเจริญได้เต็มที่ครบร้อยเอร์เซ็นตโที่รธดก็จะปรากฏขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นตเป็นอันว่าจบสิน้นจิตใจก็สะอาดหมดจดบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นจิตของพระพุทธเจา้าและจิตของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี่คือภารกิจในพระอริยสัจสี่ <c oughs> ผู้ใด ไ ด, ดได้บำเพ็ญได้ดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วคือบำเพ็ญมักให้มากจเจริญมักให้มากทุกเวลานาทีในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่ได้จเจริญมักมักนั้นก็เริ่มตั้งแต่ทานคือการทําบุญให้ทาน เข้าสู่การรักษาศีลเข้าสู่การภาวนามีการนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาหรือสมะถะและวิปัสสนาภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตเราจะหาไหม่ถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องแล้วดีไม่ดีการดับทุกข์ความสิ้นทุกข์นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชาตินี้ก็ได้ เพราะถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วจะไม่หนีพ้นไปจากผลอันนี้ได้เลยในสมัยพระพุทธกาลนี้มีคนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นจํานวนมากเขาก็เป็นคนเหมือนเราเขาก็มีปัญหาเหมือนเราเหมือนๆกันต่างกันตรงเที่ยว่าเขาจเจริญมากๆนั่นเอง เขาหมั่นศึกษาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องแล้วเขามีครูบาอาจารย์ที่เลิศที่วิเศษคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมให้กับพวกเราพวกเขาได้ฟังกันมเมื่อเขาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ถึงทร <c oughs> งรู้ถึงความสามารถของผู้ฟังว่า สามารถที่จะรับทาบทไหนอันไหนได้ก็ทรงแสดงทาบทนั้นไปเลยจึงเข้าประเด็นเข้าเป้าถ้ายิงปืนก็หมายถึงว่ายิงเข้าเป้าเลยไม่ต้องมายิงกันหลายนัดยิงนัดเดียวก็จะทะลุหัวใจเลยนั่นจึงเป็นเทศที่ทำให้คนในสมัยพุทธกาลนั้นสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากด้วยกัน เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาแล้วมีความศรัทธามีความเชื่อมีความขยันหมั่นเพียรที่จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจอย่างจริงใจจึงทําให้เขานั้นสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วบางคนฟังเทศเพียงทั้งเดียวก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้ว บางคนก็ฟังเพียงไม่กี่ครั้งก็สามารถบรรลุได้ดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจว่าการบรรลุมรรคผลที่ผ่านนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของพวกเราพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิที่จะบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้ด้วยกันทุกคนและไม่ต้องรอถึงชาติหน้าพวกหน้าหรือรอให้พระศรีอานมาตัสรู ก่อนแล้วเราจริงจะค่อยบรรลุกันเพราะตอนนี้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ซึ่งเปรียบเหมือนกับเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าทำวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอหลังจากที่ตถาคตจากพวกเธอไปแล้วตถาคตก็จากไปแล้ว แต่พระบรมศาสดาคือพระธรรมวินัยอันเลิศอันประเสริฐนี้ยังไม่ได้จากเราไปยังอยู่กับเราเราจึงถือว่าเราไม่ได้อยู่ปราศาจากพระบรมศาสดาเป็นอยู่ที่ว่าเราจะน้อมจิตน้อมใจเราเข้าหาพระบรมศาสดาหรือไม่น้อมจิตน้อมใจเข้าสู่พระธรรมคำสอนหรือไม่เท่านั้นเอง ถ้าเราน้อมจิตน้อมใจเข้าสู่พระธรรมคำสอนมันฟังเทศฟังธรรมมันศึกษาเล่าเรียนคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วนำไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของตน mm hmm. เช่นวันนี้เราก็ได้ยินแล้วว่าการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราจำเป็นจะต้องเจริญมรรค มักก็คือมีองค์แดหรือมีองค์สามได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาก็ขอให้เรามันทำามันบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่าไปเสียดายเงินทองที่มันเหลือเหลือกินเหลือใช้เอามาทำทานเสียให้หมด เมื่อทาทานแล้วจิตใจเราจะได้มีความอ่อนโยนมีความเมตตามีความกรุณาทำให้เราไม่อยากที่จะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะสามารถทำให้เราั้นดารงอยู่เป็นผู้มีศีลมีธรรมขึ้นมาผู้ที่มีความเมตตากรุณาการกระทำทางกายทางวาจาย่อมไม่ผิดศีลผิดธรรมย่อมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เมื่อจิตใจไม่มีปัญหากับการประพฤติผิดต่างๆทางด้านศีนลธรรมแล้วจิตใจก็ไม่ว้าวุ่นปุ่นมัวจิตใจก็จะมีความสงบลมเย็นเป็นสุขก็ทําให้การทําจิตใจให้สงบนิ่งเป็นสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยเป็นสิ่งที่ง่ายดายมากเพราะเรามีพื้นฐานไว้ดีแล้วนั่นเองเรามีทานมีศีลแล้วเราก็มาบำเพ็ญภาวนา เมื่อจิตเราสงบแล้วเราก็จะเห็นความสุขเห็นความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจเวลาที่กิเลสตันหาไม่ทำงานทําการจิตจะนิ่งจิตจะมีความสุขแต่พอตันหาเกิดขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนกับไฟที่ลุกฟอขึ้นมาพู่ขึ้นมาเหมือนกับเวลาที่เราจุดไปขีดฉันใดลักษณะของตัญหาก็จะเป็นอย่างนั้น ขณะที่ไม่มีตัณหาจิตก็จะเย็นจะสบายแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาปับ๊บมันก็จะร้อนขึ้นมาทันทีจิตของผู้มีสมาธิจะเห็นได้ทันทีแล้วจะรู้เลยว่านี่แหละคือตัวตัณหาคือตัวปัญหาตัวกิเลสตัวที่จะต้องระงับดับให้ได้จึงละพยายามละตัณหาทั้งสาม เพราะศึกษาแล้วเห็นแล้วว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่เที่ยมแท้แน่นอนสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปสิ่งต่างๆที่ได้มาจากตัณหาทั้งสามนี้ก็จะหมดไปไม่ได้มีอะไรติดไปกับจิตกับใจเลยนอกจากมีตัณหาความหิวความกระหายที่จะติดตามไปกับจิตกับใจ สมารต้องไปเกิดนายาบายเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดราาัจฉานนี่จะพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นชัดเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาเป็นการกําหนดทุกนั่นเองกําหนดรู้ทุกขกสัตว์จะเมื่อรู้ว่าว่าทุกนี้เกิดจากสมุทยัยคือตัณหาก็ต้องละละตัณหาทำละสมุทยัย เมื่อล่าสมุทัยได้แล้วนี่โรธความดับทุกข์ก็ปรากฏแจ้งขึ้นมานี่คือแนวทางแางการบำเพ็ญในพระอริยสัจสถ่ผ้าผู้หนผู้ใดน้อมเอาพระอริยสัจสี่ทั้ง4ี่ประการนี้มาประพุทธปฏิบัติแล้วผลที่จะตามมาก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อานได้เข้าสู่พระนิพพานแดนอันเกษงแดนอันประเสริฐซึ่งไม่อยู่เหนือวิสัยของพวกเราทั้งหลายเพราะพวกเรากับพระพุทธเจ้าก็ดีกับพระสาวก็ดีก็เป็นมนุษย์มนาเหมือนกันมีอาการสาสิสองครอบท้วนบริบูรณ์เหมือนกันมีธรรมะคาสอนที่จะพาเราไปเหมือนกันถ้าจะต่างกันก็ต่างกันตงรงที่ว่า เรามีความภาคเพียนมากน้อยเพียงไรเท่านั้น